ภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าถูกราคาครอบงำแล้วคือมีความยินดีเพ่งเลงมีจิตรักใคร่คำว่าแปรปรวนความว่าจิตกําหนัดแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้างจิตโกรธแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้างจิตลงแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้างแต่จิตกําหนัดแล้วพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่า แปรปรวนในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์ดิรัชานตัวเมียแต่เป็นหญิงที่รู้เดียงสาสามารถรับรู้ถ้อยคําสุภาษิตทุพภาสิตคําหยาบและคําสุภาพวาจาที่ชื่อว่าช่วยหยาบได้แก่ถ้อยคำที่พาดพิงเมถุนธรรมทางทวารหนักทวารเบาคําว่า พูดเกี้ยวนี้ท่านเรียกความประพฤติล่วงเกินคําว่าเหมือนชายหนุ่มพูดเกี้ยวหญิงสาวได้แก่หนุ่มพูดเกี้ยวสาวชายวัยรุ่นพูดเกี้ยวหญิงวัยรุ่นคือชายผู้บริโภคกรรมพูดเกี้ยวหญิงผู้บริโภคกรรมคําว่าพาดพิงเมถุนได้แก่ถ้อยคําเกี่ยวกับเมถุนธรรมคําว่าเป็นสังขารที่เศษความว่า สำหรับอาบัตนี้สงเท่านั้นให้ปริวาทเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นสังฆาทิเศษ